ท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนนี้ไปก็โปรดรับฟังเรื่องของป้าหลานๆจริงๆแล้วมีโกฏิที่อยู่ได้แค่หลังเดียวโบสถ์ก็จะพัง แล้วก็หลวงปู่มา พ.ศ. 2520 แล้วก็พระบาท Lang kan dat niet, dan kan dan kan ik zijn godi, dan kan ik zijn land, dan dan kan dan dat is een goede zaak. Het is een een goede zaak. een een goede zaak. een een goede zaak. Het is een een goede zaak. Het is een een ก็ ท่านก็มา 2 คาถาบทที่ 2 นี้เป็นคาถาเงินแสนเอางี้ก็แล้วกันไปดูคาถาเงินล้านกัน คาถาของท่านมีผล เพราะว่าการที่ท่านมาด้านเหนือท่านหนีการก่อสร้างมาท่านเริ่มการๆทําไป กำหนดงานขั้นแรกทำแบบนี้ขั้นต่อไปทำแบบนี้ทำไปตามแบบที่ท่านสั่งหลวงปู่ท่านคิด 2 เดือนนี่ต้องใช้เงินถึง 1.4 ล้านสลับกันแบบเนี้ยเรื่อย แค่สร้างพระอัมโบสถ์ต้องใช้เงินจริงๆไม่กี่ปีและไม่กี่แสนบาทพระอัมโบสถ์และบริเวณทั้ง 15 ล้านบาทจริงๆ แต่ว่ามีช่างคนหนึ่งเข้ามาเถียงบอก 13-10 ล้านบาทจะสร้างไม่ได้ถ้าสร้างใน 15 ล้านบาทเคยบอกว่าดิชั้นบอกเกินราคาแล้วนะชั้นบอกคุณน่ะเกินราคาตามความเป็นจริงแล้วคุณยังไม่เชื่ออีกเลยถ้าบอกก็ไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ในเมื่อปู่ยายท่านมาบอกให้ทําแล้ว เธอเป็นคนทำตามคำสั่งเค้าแล้วกันหลวงปู่ท่านก็ถามว่าทำเพื่ออะไรปู่ยายท่านก็บอกว่าลูกหลานของเธอมากอย่าลืมมาทุกชาติเค้าก็ช่วยเธอมาทุกชาติใน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 dat is een heel groot het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het niet zo goed gedaan. Ik heb het het niet gedaan. แล้วก็คิดถึงคาถาที่ให้ไว้ก็แล้วกันคาถาที่ให้ไว้อย่าลืมแล 2 จ่ายเงิน 600,000 บาท 800,000 บาท 600,000 บาท 800,000 บาท 600,000 บาทสลับ แล้ว 523 ในการต่อมาถึง พ.ศ. 2523 ปีนั้นน้ํา น้ําตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา 20 อ่ะเป็นต้นมาลําปู่ก็เริ่มตั้งมูลนิธิมูลนิธิก็ได้ไม่เป็นล่ําเป็นสรรค์นักกันได้พอสมควรต้องควรเพื่อกันก็เพราะว่าทางฉากสุดท้ายไม่มีเงินใช้หนี้จะได้เอาเงินมูลนิธิใช้หนี้เอา ตอนท่านก็สร้างห้องก็มาถ่ายให้เกิดขึ้นห้องระธานห้องหนึ่งตั้งราคา 50,000 บาทแต่ความจริง 50,000 บาทนี่ขาดทุนแพ่งใช้ท่านให้ช่างเขาคิดค่าหินค่าปูนค่าเหล็กค่าทรายและค่า 50,000 บาทค่าประตูหน้าต่างค่าสีทายังไม่ได้คิดค่ากระจกยังไม่ได้คิดแต่ว่า maar nou, je kan niet. Je kunt niet naar huis gaan, maar je kunt naar huis gaan, maar je kunt niet naar huis gaan, maar je kunt แล้วก็พระราชโอรสจะซื้อที่ด้านที่อาคาร 12 ไร่นี่พระ ให้รีบทําถนนให 200 ได้เสร็จ ถ้าจะเอา 2511 เป็นต้น 25 มีนาคม 2521 2511 นะ 21 นะ 25 มีนาคมทศ 2511 หลวง Zes早 de zonde een Kell en de dat er wel inverseld zich aan bij. Dat is dan het goal estar dat toen de woonkichi een de dat niet dat, เต็มเกลื่อนบริเวณบัดเต็มจริงๆไม่ใช่พูดว่าที่ ซึ่งฐานเจ้าบ้านแล้วโผไม่เคย <c oughs> เมื่อบวงสรวงเสร็จนําพระเข้ามีฝนละอองเป็นฝอยลงต่อ สมโพธิท่านพูดเสมอว่าไม่ใช่บารมีชั้นนะเป็นบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคือพระทุกองค์เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นบารมีของพระอริยสาวกทุกองค์เป็นบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกองค์ช่วยกัน <c oughs> ฆราวาสอยากญาติโยมพุทธบริษัทไม่ช่วยกัน ท่านท่านก็บอกว่าต้องญาติโยมเป็นคนมีบารมีดีคําว่าบารมีก็หมายถึงกําลังใจเต็มมีกําลังใจเต็ม แต่กําลังการก่อสร้างนี่ก็เป็นของอสัจจันอย่างห้องกรรมฐาน ที่ crave Tambor Miyazaki คติ prajna 2019. อเร gesture of description along with math. ฟันพวก فร้างวัน wearing 2014 as a society. จัด сталиคest tin baking with Mr. Magn composite in its own qui. จากจะรู้ว่าวั้ยแนะขเรียง pissed what alike it is. ตั Talies bien andaln existed as our company. และว่าบบอกในความบันขอดนโลกที่มันบอกช้ำค молодดีสมตกของ Lead Work. opener let him realize that at ETH memпause accepted that trained in my quadriculation. อะไรที่ท่านมาบกันเถอะไท ก็ยังมีคนมาทําบุญ 4 ศอกคือพระชํานาญ 60,000 บาท 50,000 บาท 60,000 บาท 70,000 บาท อย่างมีหาญคด 30,000 ก็มาถวาย 100 องค์เหลือเกิน 100 องค์เสร็จแล้วต้อง แต่ว่าต้องขออภัยหน่อยว่าทําไม่ทันมันก็ต้องช้านิด 2 ต้องสร้างอาคารที่ 2 ชั้นห้องละประมาณ 30,000 คือว่าถ้า แล้วก็สร้างพระที่หลังมัน ฟังคุณป้าพูดมานิ่มเลยจริงๆแต่ทําไมหลวงปู่ท่านไม่มีทุนแล้วทําไมถึงกล้าทํา ป้าน้อยก็เล่าฟังว่ามีเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะเล่าฟังมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เมื่อ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 ik heb met kaart en lol, het was Nimiko aan de pind en Het een hele gang een een baardje. Mietavraibon, koor, rapt, haal naar. Taam, Mietavraibon, koor, rapt, haal naar. Taam, Mietavraibon, haal naar. Haal naar. Haal naar. Haal naar. Haal naar. Haal naar. Haal naar. Haal me. Haal naar. Haal naar. die naar. Haal naar. เอากันในวันงาน ก็มี 60 ปีเศษๆเป็นคนผิวเนื้อสองสองสี ท่านก็ถามว่าทางภิกษุโยมมา สมโพธิ์ว่าเงินเวลานี้มีความบาทเพราะว่าเจ้าหนี้เค้าจะมารับเงินในวันพรุ่งนี้เป็นหนี้ 60,000 แต่เค้าก็ไม่กะไม่เกณฑ์ไม่มีเขตจำกัดถ้ามีเท่าไหร่เค้ารับเท่านั้นไม่มีเลยเค้าก็ไม่ว่าถ้ามีเค้า ท่านก็ตั้งใจว่าจะมาทําบุญสัก 50,000 บาท ปลดฉายพกเล็กๆใช้พวกน่ะเล็กนิดเดียวมันหุ้มแบงค์ หลวงว่าคุณโยมอยู่ที่ไหนโยมบอกว่าเห็นจะอยู่บอกไกลจะเป็นจังหวัดกําแพงเพชรแต่ที่ไหนก็ไม่ทราบท่านเป็นน่ะบอกแล้วเห็นมั้ยไม่สามารถที่เห็นหน้ากันได้กันและกันเห็นจะเป็นจังหวัดกําแพงเพชรถ้าจําไม่ผิดนะแล้วคุยกันไม่สักกว่าเดี๋ยวท่านก็บอกว่า โยมก็บอกไม่เป็นไรเจ้าค่ะชาติจังหวัดอุทัยบกแค่นี้เดี๋ยวชั้นเดินเดียวก็ถึงหลวงปู่ท่านก็บอกว่าจะไปส่งโยมก็ไม่กล้าไปส่งเพราะ เจึงก็บอกว่าคุณกลับเถอะไปเดี๋ยวฉันกลับเองได้พัทวีก็บอกไม่ได้โยม 2 3 ก้าวไปแล้ว ข้างที่ถนนไม่ de soetsong, gelijk Yom, een persoon die een de Yom, een de tempel is de wajom kon die terwijl ik glaag die toyzai lom doet ja, zwaarder de niet meer 60 jaar en 50 jaar is geen jaar. Maar dat 60 jaar je om de schoorsteen, wajom, wajom, wajom, van น้องปู่ท่านถามแล้วถ้าไปถาม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 ก็พระปฏิไลก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลานี้แก้วที่สมโภชได้ <c oughs> คุณป้าน้อยก็บอกว่าตอบให้ได้หลานรักคือมันไม่ใช่เป็นความลับแต่ว่าป้าไม่รู้ว่าองค์ไหนไม่ใช่ว่าหลวงปู่ท่านปกปิดท่านบอกว่าเจ้าท่านได้นับถือมันพระเพราะว่าพ่อ แล้วไม่ เพราะว่าใครจะได้ไปไหนไม่ได้ว่าใครจะได้ไปไหนไม่มงคลสมบูรณ์พูนผลจงมี